เป็นจบแล้วก็ต้องมาเล่าเรื่องมาเล่าเรื่องวิธีปฏิบัติให้พวกเราฟังอีกตอนเช้านี่ก็เล่ามาให้ฟังว่าวิธีปฏิบัติคนมันเป็นอย่างั้นตอนเย็นเมื่อนี่ก็ต้องเล่าให้ฟังอีกตั้งใจฟังกันฟังแล้วจดจําได้นําไปปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าฟังแล้วจดจำบอดได้ไปปฏิบัติก็บ่ถูกต้อง บางทีนะบางทีก็ถูกต้องถ้าหากเราบกเข้าใจแล้วการปฏิบัติมันบกได้รับผลดีดังนั้นการปฏิบัติธรรมะวิธีที่เราทำกันอยู่เดี๋ยวนี้นี่เรีวยกว่าวิธีสร้างจังหวะเดินจมกรมบอกให้นางนิ่งนิ่งถ้านางนิ่งนิ่งแล้วมันเป็นขมสงบสมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานนั่นพูนว่า เป็นความสงบจิตสงบใจซื่อๆใ น, ใ น, น, นี้เพื่อนวางท่านวิปัสสนากรรมาฐานนั้นเป็นอุบายให้เกิดปัญญาเพื่นวาดังนั้นเขาเคยได้ยินครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าคนจะล่วงทุกไปได้เพราะปัญญาเพื่นวางท่นบอแม่้คนจะล่วงทุกไปได้เพราะนั่งสงบเพื่บนวางท่นนี้ครูบาอาจารย์ฟังเราให้ฟังดังนั้นต้องฟังแล้วต้องเข้าใจการเคลื่อนไหวของเหาื่อนี่ยมันเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ตลอดเวลาทําเพื่อยังท่น ทำเพื่อคนรู้สึกตัวรู้สึกตัวตื้นตัวรู้สึกใจตื่นใจบ่ให้มีความเศร้าหมองบ่ให้มีความซึมเศร้าบ่ให้งกง่วงบ่ให้มีใจหดหู้หลวงพ่าหดหู้ทางพี่ว่าใจหดหูถามข้าเจ้าว่าหดหูหลวงพ่อว่าภาษาบ้านหลวงพ่อว่าใจหดหู้ถ้าจิตใจเศร้าหมองจิตใจงกง่วงจิตใจหดหู้จิตใจซึมเศร้าพูดว่าบ่มี กำลังใจกำลังสติปัญญากรบวมมีเพื่อนว า, อางสันดังนั้นคนเราเป็นทุกข์เพราะเราเราบม่รู้จักมันเองดังนั้นมาเจริญนิพพานาเนาพาเื่อนวิปัสสนาก็ได้หรือว่ามาเฮตซื้อก็ออได้จีวาเสนก็ได้มันเป็นเรื่องสมมุติเพื่อโบให้มันสงบใ น, นด้านนี้อันความสงบแบบหนึ่งสงบแบบนําแขงงบแบบ็งสงบแบบนี้โบเมสงบแบบนําแข็ง แล้วมู่แต่เฮาคงจะเคยได้เห็นน้ำแข็งเคยได้เห็นน้ำแข็งบอครับเคยได้เห็นน้ำแข็งบเออเห็นกับว่าเห็นแม้คันมันโบได้เห็นมันกับบุงผู้จักคำพูดกันน้ำแข็งนี่เป็นก้อนใยๆแบบนี้เอาไปวางไว้ตากแดดตากลมโบอยู่ได้ผลเท่าไหร่ละล่าหลายเป็นน้ำเมดน้ำแข็งอันความสงบแบบพอไปนั่งสงบอย่นี้ก็คือกันเมื่อไปสู้อารมณ์มีคนตําหนิ มีคนมายุเยอะยังสันจะเกิดตึ๊บเพราะลดง่ายตึกแทรลไปโหลดโบสู้ได้เป็นยังสันอี่ยพอในผู้อื่นที่กีว่าสั้งแต่บุกจักมันสู้โบได้บาดในน้ำแข็งนี่กินเข้าไปมันเย็นมันเย็นจิ้วขึ้นไปในทองในไส้ของคุณบดเดือนน้ำแข็งนั้นมันหมดหมดพิเย็นมันลาลายออกมาเป็นเหือ่อเนี้ยวตนเหนียวตูนลงพอคํานวณน้ำซิซื้อ หลวงพอ่อโบได้เห็นหนังสือหลายโบได้มีความรู้หลายหลวงพ่อคํานวณเอาเป็นปัจจุบันตัวเองนี้ดังนั้นมาว่าให้โมฟังกับ น, น้ําแข็งที่เป็นก้อนใหญ่ๆนั่นเอาไปตาดแดดตากลมบุกุ้งผมมือดอกลาหลายเป็นน้ำตามเดิมโบเย็นตลอดมือบัด น, นี้เอาลงน้ําลึกๆบัดเนี่ยลงน้ําของกับตามบ้านหลวงพ่อมีน้ําของน้งําโขงอัสสัมพันว่ า, วาแต่บ้านหลวงพอ่อเอื้อนน้ำของน้าห้วยน้ําของ ลงลึกๆ ล, ล, ลึกไปเท่าเดียิ่งเย็นทวานน้ำอันนั้นขันยูมอมอแต่ฟังนี้อุ่นลงไปลึกกล้วเย็นลงไปดําลงไปลึกกล้เย็นิ่งเย็นอันนี้ก็คือกันที่อย่าพอว่าอย่างนี้นถ้าเราเคลื่อนไหวมากๆเนี่ยบางทีคนมาว่าเราสีบโได้ยินส ม, มุนเนี่ยมันเส้ไปได้ได้ยินมันจีบโบไปรับอารมณ์อันนั้นเพราะเราเห็นความคิดเราอยู่ในการเคลื่อนการไหวเนี่ย จะมาเคลื่อนไหวภายนอกตะก่อนอย่าสูนั่งนิ่งๆถ้าหากผูได้นั่งนิ่งๆไปติดควมสงบแบบนำแข่งบนม่แบบนำลึก <c oughs> คนอยู่ในถ้ามันมืดเนีย่ยพอเปียดเทียมให้ฟังเขาจุดไฟขึ้นคมมืดหายไปแต่คมมืดมันว่าหายจากเหาเนี่ยหเหาอยูดนันคมมืดท่าเนีเอาไฟมาเบื้องทางหน้าที่มืดมันมาข้างหลังคุณ เอาไฟมาข้างหลังมืดมาข้างหน้าเอาไฟไปข้างซ้ายมืดไปข้างขวาเอาไฟไปข้างขวามืดมาข้างซ้ายเพราะเขาอย่างยู่ทธีมืดท่านเี่อันสมถกรรมฐ า, านก็คือกันบ้มีความสว่างในใจอย่างพอผู้อื่นให้จิเป็นสัญญาบุญหัจกักบาัตรมหิการเคลื่อนไหวนี่มีความสว่างในใจขึ้นเบาอกเบาใจขึ้นปิดนังสัตว์พิษกั น, นเดทเจึงว่า ทิศที่ความเห็นนั้นผู้ใดจิมาว่าให้โบเสื้ออย่างพออย่งพออย่างเปียบเทียบให้ฟังว่าตำหนิแผ่ที่ลีลับของเหาแล้วคนอื่นบ่มองเห็นตําหนิแผ่ผู้อื่นขเขาจิไปมองเห็นยังไหนเพิ่งก็เห็นของเพิ่นเหาก็เห็นของเหาจันว่าอันตําหนิแผ่บาดแผ่ตําเนื้อตําหนังเฮานี้เห็นได้เวตาอันใจเหาคิดดีคิดซัว บวคิดดีบวคิดั้วนเนาะเฮาบ่เห็นจักเถื evet. ่อบวกเคยว่าหามันจักเทื่อจิตใจแต่บางคนเนี่ยพอได้ยินเนี่ยพ่อก็เคยว่าซ้ำเนี่ยบางทีโอ้ใจหายแท้แท้ว่าสันแต่บ <classics. S 1> ่ได้ว่าอารมณ์คนกรุงเทพเพูนว่าอารมณ์บ่ดีอารมณ์เมื่อเนี่ยอารมณ์สูนเสียวพูนว่าอารมณ์ขุนมัวว่าสันอารมณ์เศร้ามองพูดว่าสันบ้านอยู่พอบ่ว่างสิโอ้ใจหายแท้แท่เมื่อนี่ยอย่ามายุ่งนะเนี่ย ว่าเป็นเน่ยพ่อก็เคยได้ยินผู้อื่นกวา่าวเนี่ยพ่อก็ว่าอ้น้องมาหาโอ๊ยอย่ามายุ่งใจให้เนี่ยวา่าไปบางทีลูกเมียไปหา ก, กับว้ากันโอ้ยอย่ามายุ่งใจให้เนี่ยวา่าไปคันหูจักว่าใจให้กเอาเท็มปุ้ลงเสแล่เหมือนก็แเหลว ซ, ซื่อนี่นะมันเว่าวเป็นซื่อๆ อ, อย่างมั้งลักษณะคนเว้าเป็นเนี่ยโบแมนเนี่ยการพูดจากร้อยคำพันคำมื่นค ำ, คำแสนคำล้านคำก็ตาม สูการยกมือเชื่อเดียวเนื้ได้การกระทํำนี่มันทําให้เรารู้สึกซาบซึ้งตึงใจในเทนี่เดียเนี่ยพ่อเป็นอย่างสันเจียงว่าหลวงพ่อก็เลยหาเอาวิธีที่มันโบมีในตํำรับตําราดอกคนบได้อ่านหนังสือคักมันก็บ่มีล่ะคันถ้าคนอ่านหนังสือคักๆแล้วมีรถตําลามีบ่อนใดกัยโย่เฮาเคลื่อนเฮาไหว้นี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้มีสติกําหนดรูเด้ ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนคู่เยกเคลื่อนไหวเนี่ยคุณบอกอั น, นเอาเฮ็ดนี่ก็เม่นการคู่แ ย, ยกเคลื่อนไหวนั่นนี้บ่เม็นอื่นไก่ดิคันบ่เฮ็ดนั่งเี่ให้คนมันบุ้งหัวจักวิธีเฮ็ดมันนั่งนิ่งๆเนี่ยบางคนว่าเอาบํารุงหายใจกไ็ได้ไดจีบบ่ได้จังไหนแต่ว่ามีดหน่อยๆสมมุติเอาฝันไม่ใหญ่ใหญ่ดิมันบุคาดดิลองบอ่แม่คันมีดหน่อยๆคมดีมีดนั่นน่ะ เปฝันไม่ใหญ่ๆเนี่โวยบวขาดมันส่อยเอาทีละน้อยนี่บุดรกับมีกระหักซ้ำไปนะบัดมีเหตุวิธีอย่าพอวานีพาอิโตบักใหญ่ๆหั่ทางพี่เอินว่าพาอิโตะบุตรหนึ่งไดงพาใหญ่ใ่เนี่ยมิโตะทางบ้านหลพอดีว่าเอินพาอิโตบไดเอิมิโตะพาใหญ่ๆหเนี่ยขวดใหญ่ๆหญ่เนซัดใส่คมหนาแล้วฟาตุ้มเข้าไปมันเ น, า น, น่าในพนวด มันบกขาดมนกันเนาเปื่อยออกมาที่เล็กทีน้อยหักโรยไปเดียวใหม่เรื่องโทสะโมหะโลภะนี่กัมัดแต่หัารูเข้าบ่อยๆเราวมึงว่าสันแลนแต่กุ้นกุ้นไปโรดไปด้วยขันหองเห็นมันเป็นอันนนี่นี่จึงว่าความสงบจริงๆมีอยู่สองอย่างสงบแบบน้ำลึกเรียกว่าสงบวิปัสสนากรรมฐานสงบแบบน้ำแข็งนั่นเรียกว่าเป็นสมาธกรรมฐาน ดันั้นสมถกรรมฐ า, านจึงเป็นอุบายสงบผิตสงบใจซื่ อ, อ, อวิปัสนาเป็นโรแทเตอร์ไถหกักไข่คนมันออกไปรถไปเดียวเป็นว่าลากมันโยใส่ไถยออกไปหลายเทือหกักเล็กหกักน้อยขาดมดต้นไม้ใหญ่มันต้นไม้ใหญ่ใหเนี่ยเหาเบิงโรแทกเตอร์ขจ็ดทางเนี่ยพอไปเบิงเอาเอา ยกันสีไทยไปมเนื่องไปแล้วไทยทางก้นพี่รถยูไปไทยบ้านหลูงพอเรียว่าเสน่ห์ทางพี่ว่าจสน่ห์ซุกไปในว่าเสน่ไทยไปนี่ดันไปเลยเนี่ยมันบู๊ขึ้นกันความหมายผิดกันเด้คนไทยได้แท้แหละในว้าเนียงโบคือกันดันไปว่าเสน่หเนี่ยพอบาะว่าว่าไทยไปว่าเสน่หยูไปว่าเสน่หนี่เพราะว่าดันไปเนี่ยมันผิดกันแต่เราการฟังคําพูดของหลวงพ่อนั้นถ้าหลวงพ่อพูดเป็นภาษาเมืองเลยยังซีแล้ว ฟังยักหแต่ฟังบ่อยๆฟังเพื่อความเข้าใจโอ้หลวงพอบวจังสันเป็นวาจังสันเด้นจีเดียวหัวจัดจังสันดังนั้นอันมาเฮ็ดเดี่ยวนี้เนี่ยเอิญมาเฮ็ดวิปัสสนาเฮ็ดกับธรรมอันเดียวกันเนี่ยธรรมเฮ็ดธรรมกับเฮ็ดกันเดียวกันบ้านหลวงพ่อทางพ่จิว่าบัววาเฮ็ดวิปัสสนามเลยว่าธรรมวัดสร้างวัดสร้างจังว่าให้เข้าใจพิษตากับหัเมื่อมันเนี่ย อันเขาเหตุจังหวะนี่มันใหญ่เนี่ยยกมือไปมือมาดูไกลๆจากสิบวายี่สิบวามองไกลเดี๋จากสามสิบวาก็มองเห็นใช่ได้เขายางไปเนี่ยเห็นยกมือไปมือมาเองอันนี้มันใหญ่ให้เขาหัวจากว่าให้หัวจากตัวยานี่ก่อนวันนี้พียบตาบันเนี้ยสิบวายี่สิบวามองโมเหตุกันตาบมดีเขาไปในระยะจากห้าวาที่มองเห็นมันเนี่ยมันละเอียดเข้าไปทางซันมันส่วนหายใจบันเดีย ห้าวาน <Was. S 1> ี่คืมองบเห็นเนี่ยเข้ามาจากวาสองว่าที่มองเห็นหายใจท่อมันตียงวูบวาบวูบวาบเห็นแล้วบบบนี้ส่วนคิดได้เห็นบ่เห็นแล้วแบบนี้โตเฮามองกับวัยเห็นเนีผู้อื่นมองมาเจีเห็นยังไดนี่จีว่าคนอื่นจีมางหูคนเฮาบ่ได้เฮาต้องหูคนมู้พราะเฮาคิดอันนี้เฮาต้องหูเฮ็ดอันนี้มันจีหั้จากคมคิดผู้นี้มันจีไปทําลายคมคิดผู้นี้บุไม่ทําลายตายท่บุแม่นอย่างสันนี้ ทำลายจีบัวให้โทสะโมหะโลภะเกิดขึ้นพุ้นทุกข์พ่อโทสะโมหะโลภะบ่มันทุกข์พ่อโทสะโมหะโลภะก็ได้ขจวีวาเป็นสองสั์กลับกันเพื่อนว่าทุกข์พ่อโทสะโมหะโลภะยุติสมีบมมออเเเัเดียวนี้บ่มีแล้วมูไม่ออกเคยโกดเป็นบ่โกดเป็นวะเดี๋ยวนี้โกดบ่เดี๋ยวนี้เนี่ยเน่เขาโกดเจีงบ่มีในตัวเขาเนี่ยมูหลวงพ่อโกดเป็นบ่น เดี๋ยวนี้โกดเพรเดี๋ยวนี้ น, ะนี่แน่ความโกดจริจงพวมีในเหาอันเหาโกดเมื่อใดนั้นเข่าลงตนลืมโต ล, ลงกายลืมใจลงชีวิตลงจิตลงใจเฮานี้ซื้ อ, อนีหลยมีผู้ใดมาว่ามันหลงเลยพุทไปเบิ่งแต่ขาเจ้ามันเกิดปุ่งแตงขึ้นไหมใช่ว่าวิธีง่ายง่ายอึดใจเดียวก็ได้รถคนมีปัญญาฟังแล้วเยี่ยพอเว้าเนี่ยแต่ว่าหักีบุง้งเขาจักภาษาเท่านั้นล่ะความจริงแล้ว ถ้าหาเขาบูรลงตนลืมตัวบูหลงกายลืมใจบูหลงสิ่ก็จักเถื่อไปใส่มาใส่เบิ้งชีวิตเนี่ยไปใส่มาใสวันบ้านหลวงพ่อยังนี้อาจจะว่าไปไหนมาไหนอาจจะว่าอย่างสังกัดได้นะมันบ่งหุจักแต่ว่าไปไหนมาไหนบ้านหลวงพ่อคันว่าไปไหนมาไหนนี่ว่าไทยยวนทางพุนทางเมืองแพร่เมืองน่านคุณเอินไปไหนมาไหนนี่บ้านหลวงพ่อเอินไปใส่มาใส่ว่าันแต่หากขอฟังกันได้เป็นอย่างสัน ดังนั้นความสงบจึงมีอยู่สองอย่างสงบสมถะกรรมฐานนั้นบุหุจักพวกกามบุหุจักเนี่ยพอเน่ยพอทำมาแต่สิทธิ์นี่เ่ยพอกับบุหุจักเรื่องโทสะโมหะหลวงพอกับบุหุจักบุหุจักแต่เน่ยพอผูอื่นที่จิตหุจักบุหุจักกับโบบุหุจักเนี่ยพอผู้หุจักน้อยผู้หุจักหลายแท่าบุหุจักเน่าพอหุจักแต่ตัวเ่ยพอเองเ่ยพอนี่ยทำบุญอยู่ครั้งหนึ่งให้กองกระถิ่นนะอันเนี่ย ม่สามารถทำบุญนั้นได้ทําบุญกองกริ่นไะด้แท้ดินะหมอลำจ้างหมอลา ม, มาลําแล้วก็จ้างนางไปได้เว้ากันแล้วกับไม่เอาไมเทียนนี่ว่าหน้าที่ของเจ้าเป็นผู้รับแขกแต่งผ่าเข้าผ่าน้ำให้กินแล้วก็เงินทองให้เจ้าเป็นคนจ่ายวันเนี่ยพอว่าค่อยเป็นหน้าที่รับแขกต่างบ้านทางไกลรับสินแปดเนี่ยพอไม่เอาไมเทียนนี่ให้เรารับสินห้าสเนี่มันเอาเปรียบเขาเนี่ยบุกหกลื่องเป็นอย่างนัญญ้น บัด น, นี้หมอลำลำแล้วเมื่อเศรา้าข้าเจ้ากระถาบเอาเงินที่จะให้เท่าใดว่าสันกลมจริงว่ากันแล้วปุ๊บรถยาพอนหนักบนโต๊อยู่ในใจเปแต่มันยิ้มได้เพราะคนหลายนี่อยู่ในเหืนห่นท่านยิ้มอยู่แต่มันโบยิ้มได้ว่าใจพุน่นหนักอยู่พอปานเอาโซ่สร้างอ้อมคออยู่พุน่นหนาลูกบวก ข, ขึ้นพุ่นห่ะจะให้เท่าใดก็ให้แต่เมื่อเรากบุ้งหัจากวันยาพอนเป็นอย่างว่าดีๆอยู่เอากระินไปทอนให้ผระ มาแล้วกับมือแรงกับมากินเข้าสองคนซี้กับลูกลูกสองคนอย่างน้อยแล้วก็พ่อแม่ให้ว่าเดีไปข่าวนั้นเป็นพ่อคนแม่คนได้ไดีอย่างพอบ้า น, นี้ก็เลวยุหนะเวลวเรื่องอยากให้เขาหููจักนั่นนะเขาก็ะหูจักแล้วเขาหากักโบยักเลามันโบดีบ้า น, นี้เขาก็เลยถามว่าเจ้าอย่างว่าจะข่มเข า, าอย่างสั้นวะสิเจ้าบ่าพอใจีิค่อยเวาให้เจ้ามือเศ้าดิสิบ่พอใจวสนนะสิโทษค่อยเลยโบหูจักว่าเจ้าบ่พอใจวะสิเราวะ เราก็ว่าเป็ี่นซื้อเราก็บวงวิจัจกเจ้าเน้อตกนืกนื้อเฮ็ดบุญเน้อโบได้บุญน้อสันละวัตถาเจ้เจ้าแมนข่มเราเด้อเด็ยเด่ยพอเสื้อฟังหลดุดผู้ใดว่เอาคันมันทูกจังหวะเนีย่ยพอเนีพยฟังเสือ้อทันทีลดมาเดียวเน่ยพอโอ้แมนข่มเจ้าแล้วแบบนี้ว่านึกในใจมั้ว่าแมนแดมแมนข่มเขาแลว้วเราตกนื้อหกพื่อเดียวเราเด้เนี่ยเนีว่าเนืกที่ใต้ดินอย่าพอโบไปเถื่ออเ่ยพอเน่ยพอตกนรกเดี๋ยวนี้นี่นะแกเดี๋ยวนี้นี่นก้อนนะ เนีอพอว่าเมื่อเสารเนี่ยว่าผู้ได้ทไปตกนรกจ้าโยามพิบาลจดเส้นหนังมาเน่าไปผู้ได้ทีไปสวรรค์ น, นั้นเทวด า, าจดเส้กระดาษทองคําไปวะท่านนั่งมาเน่าเนีมันเหม็นอยู่ในใจคุณเขาบบเห็นแต่เจ้าของทุกอยู่ในใจคุณเนี่ยพอตั้งใจเมื่อนั้นมารู้สึกเอาละแบบเนี่ยท่านถ้าเอาสนะสิ่งนี้โบได้แล้วโบแล้วกันเรื่องชีวิตเนีย่ยเนี่ยพอตั้งใจวัดเจ้าคุณละ มู่เพิ่นไปปฏิบัติธรรมะเพิ่นจิตตั้งใจปฏิบัติยังไดนหูบู้งจักเนี่ยพอ่อญาพ่อมีความตั้งใจอย่างซีมาตั้งแต่ ม, มื้อนั้นแหละมาอืให้กอกงอาทิตแล้วก็ทำบุญให้ทานเฮ็ดมาอย่างนี้แต้มันโบเสาข่มโกดรักษาสิน้นแป๊ดหลวงพ่อกลับรักษาแล้วมันโบเสาใจหายนี่นะมันโบเสาข่มโกดมันโบเสาข่มหลงนี่นะนี่บัดมาเฮ็ดอันนี้แล้วมันสามาที่จะเสาได้นี่ จิตใจมันก็บงหงุดหงิดปันไดนี่นะไหศิว่ะแซงสรัญญาตาตามสร้างเนี่ยเรื่องของข้าเจ้าบปนเรื่องของเราส่หยาพอลูจังสี่จังว่าหยาพ่อทํากรรมฐานมาหยาพ่อบลูโบลู้บกคิดถึงซ้ําจังพวกกามนี่ก็ได้กามมาสาวะภาวาสาวะอวิสาสาวะหยาพ่อโบกคิดถึงจ้าคือทํากรรมฐานมาตั้งแต่อายุสิบกว่าปีมาไหศิว่าสรัญกาตาามสร้างว่าหยาพ่อว่าอวดดี งอจะเรื่องของตัวเองว่าเจ้าของเก่งอ้าเก่งแม่คนมีดีแล้วก็ต้องมาเว้าวแต่บแม่คนอวดดีได้เนี่ยคนมีดีแล้วเอามาเว้าสู้ฟังอันคนอวดดีนั้นอวดดีซื้อถามต้นสนปลายโบได้จับกกจับปลายไปซีต้นซีนี่ไปบแม่เนี่ยพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอปฏิบัติเทเแรกเนี่ ย, อยพอรู้เรื่องลูกน้ําจบเรื่องลูกน้นําแล้วกลับมาเนี่ยพ่อก็มารู้เรื่องผวมคิดทําลายเรื่องโทสะโมหะโลภะนี่พักหนึ่ง ทำลายโทสาโมหะโลภะแล้วก็ทำลายกิเลสตัณหาอุปทานนี้กรรมนี้ออกไปโรดเนี่ยพอเมื่อทำลายซึ่งเหล่านี้ได้แล้วก็เห็นโลดสิ่นขันสมาธิขันปัญญาขันโรดโบเมนสิ่งขันอันขันห้าขันแปดขันสิบสองคุณโบเมนนี่เนี่ยพอว่ารูปขันนี่เนี่ยพอว่ารูปอันนี้มีศินรูปขันมีสินอะไรสินเวทนาขันมีศินสัญญาขันมีศิลสังขารขันมีศิล วิญญาณขันมีสินจีนวะสินตัวเดียวเท่านี้อย่างพอรูปอันนี้ก็อยู่หน้าที่รูปอันนี้แล้วเวทนาสเสวยอารมณ์ก็มีสินแล้วนี้ยแบเนี่ยกร ะ, ะเจีไปเสวยไม่ให้ยัขงขมทุกกะหันจักขอมีสินอ่ะอันผู้ใดไปรักษาสินยุ่ยังไปสเสวยขมทุกอยู่เว้ยคล้ายๆคือสัตว์นรกนั่นแหละอันนั้นเป็นอย่าง น, นั้นไหมคือเทวดากับนอนคุยกันนั่นแล้วเป็นอย่างนั้นเมื่อหู่จักอันนี้แหละอย่างพอก็บหุจักรูปเดียว โมจักสินขันสมาธิขันป virgin, ัญญาขันอาทิสินสิกขาอาทิจิตาสิกขาอาทิปัญญาสิกขาตำราวางสันอันสิงขันสมาธิขันเนียอย่างพวานนี้โบมีตำลาอย่างพวบเห็นโบได้ยินครูบาอาจารย์ว่าให้ฟังอืได้ยินอาทิสินสิกขาอาทิจิตาสิกขาอาทิปัญญาสิกขาสิกขาสามเพลินวาย่างสันแต้ย่าพอไปเฮ็ดนั้นโบเมีนวางสันอาทิสินสิกขาอาทิจิตาเอออันสินขันสมาธิขันปัญญาขันพี่ no หูจักอันนี้เริ่ไปหู้จักอันนั้นลดไปเดียวจ้ะบ่ต้องเรียนก็นได้เมื่อปฏิบัติจริงๆเรารู้จริงๆเมื่อรู้อันนี้แล้วโอ้สมถะกรรมฐานนี่มันเดาบรู้อันหมามู่นเนี่ยมันเดาบรู้การูู้จักตามลดไปเดียวจาก น, นี้ตัวเองไปนั่งทํากรรมฐานพุทโธ ท, ทำโมอรหังพองยุบนั่งภาวนาดูลมหายใจเข้าออกสัญญาลมหยาบลมละเอียดโอ้ยเน่ยพอเห็ดมาพอแล้วตัวแข็งทื่อเนี่ยพอเห็ดมา มันบู้ฮู้จักนี่นะงอสงบแบบอยู่ในถ้าบนไม่มันสงบแบบออกจากนอกถ้าอยู่ในถ้าจุดไฟขึ้นมืดโคมมืดหายไปรถเต๊บไฟมันบาออกเออโคมมืดมันมาออกจากเขาพราะเขาอยู่ที่มืดนี้บาดมีเขาโบต้องอยู่ที่มืดโบต้องใต้ไฟก็ได้ออกจากถ้ามันดำมายางอยู่ปากถ้ำมองเบื้องในถ้ำบนมันเห็นมันมืดอันนั้นอนนี้เขมาทางนอพี่มองไปทางพี่มันสว่างโลดมันเป็นอย่างนั้นนี้ จิตใจเปียนเข้าไปที่นู้สองเทือนี่เป็นอะไรั้นเจองมาอ๋อกามาสาวะอาสาวะคือกามยินดีในอารมณ์กามมาสาวะเนี่ยอารมณ์เย็น อ, อกเย็นใจเพือ่ออะไตกจวู่นัดของกามามาลมคนเอิญกามามาลมมันเป็นอารมณ์ซื้อๆใช่ไหมากามาสาวาอะไรั้นอาสาวะคือกามแตโบ้หุ่จักเนี่ยพอ ภาวะสาวะคอสอาสาวะคือภพอาสาวะคือกิเลสเพิ่นหวอย่างสั้นบันียภาวะสาวะอาสาวะคือภพมันเป็นภพเป็นศาตรก็จุดดืเห่านี่จังว่าอาสาวะคือกิเลสเป็นภพเป็นศาตร์เปิ่นหวอย่างสั้น ยังว่ากามาสะวะภาวาสะวะอะวิสาคือควรบูรุปอวิสาคือบูรุภ บ, บุรุษาตรบูรุแจ้งว่าจังจังก็ได้จังโอ้บัดนี้กามาสะวะเราทำลายมันแล้วบัดนี้ยสิภาวาสะวะเราทำลายภพศาสตร์อันนี้ไปแล้วว่าสิอวิสาสาวะเราทำลายอวิสาอันนี้แล้วเป็นวิปัสสนาแล้วเข้าใจเตะมันเริ่มหู้จักมาตั้งแต่เมื่อรูปนามพุทธิเนี่นยพอว่าวิปัสสนาหุาห่นจักลด โอ้วิปัสนามันมาจังซีนจนน่ามาหูวจักวัตถุปรัมมาดีกว่ารู้จักมาเข้ามาเข้าเยอะยิ่งลงลึกเท่าเด็กยิ่งเย็นเท่านั้นทำอิดลงยู่นน้ำตะฟังนี่สะคอนอันลูปน้ำเนี่ยลงเข้าไปวัตวัตถุปรมมานี่ก็ลงน้า เ, เพียงเอืกเพียงแอลนี่แหละแบบนี้ลงเข้าไปถึงศีเแล้วก่อนคลายๆคือน้ําลึกแล้วก็ท่วมหัวเย็นจิ้วเข้าไปเลยเข้าไปลึกๆประเดีเห็นตัวอวิสสาตัวกามมา สะวะภาวาสะสวะอวิสาสะวะเนี่ยิ่งลึกแบบ น, นี้ยั่งบุถึกแบบ น, นี้มันเป็นอย่างสันนี้มันเย็นควมเย็นมันจรงว่าควมเย็นผิดกันลงลึกเท่าใดยิ่งเย็นทนัดหลวงพ่อว่าโบ้ไม่เย็นแบบน้ําแข็งอันนี้จนว่ารู้จักทําบาปด้วยกายทําบาปด้วยวาจาทําบาปด้วยใจมีใจกายซื่อๆนี่ทําบาปไปตกนรกขุมใดถ้านรกมีนานจากปีจากเดือนหนึ่งหูจักอย่างสันย่างพอเห็นอย่างสันเข้าใจอย่างสัน บัดนี้ทําบาปด้วยคําพูดคําพูดซื้อๆใจมือโบได้ไปทําว่าเขาโบดีจังสันอยังซื้อๆนี่ถ้าหากนรกมีแล้วไปตกนรกขุมไดจากปีจากเดือนผู้จักจังสันเห็นจังสันบัดนี้ใจคิดซื้อๆบนเนี่ยคําปากโบเบาโบปากโบเบาใจหักคิดอยู่จังสันและบัดนี้มือกรบโบเฮ็ดใจคิดซื้อๆถ้าหากนรกมีจริงไปตกนรกขุมไดนานจากปีจากเดือนจังสัน หู้จั ก, กสำคัญและตอนี้ทำบาปด้วยกายทำบาปด้วยวาจาด้วยใจพร้อมกันมืดแบบ น, นี้ไปตนนกนรกขุมใดไปตกอาบีจีขุมใดนานจากปีจากเดือนวันทันในทางตรงกันข้ามแบบ น, นี้ทำบุญด้วยกายเซื้อนี่ม่แต่เอามือให้ซื้อใจบอพร้อมของตาเว้าเถือหักสวรรค์มีแล้วทีไปยุตสวรรค์สั้นใดวันทั น, นบรต้องถามไผ่บุญนีู่้จักรถ นานจากปีจากเดือนเนี่ยนิพพานมีประยุดีพันธสั้นใดหูจักสงสันบันนี้เว้าดีซื้อซื้อเฮาหากว่ามือบรไดเฮตได้ทำเว้าดีพูดดีพี่ไปน้องมามีแต่ต้อนรับคำพูดป่าใส่ดีให้บริไดตายไปแล้วไปยุตนิพพานสั้นใดปรยุตสวรรค์สั้นใดนานจากปีจากเดือนเน่สนหูจักสงสันบันนี้ทำบานด้วยเอทำบุญด้วยใจบันเนี่ยใจคิดดี แค่มือบ่ชทาปากบาเบามีแต่ใจคิดดีซื่อๆนี่แหละหากสวรรค์นิพพานมีเราตายไปแล้วไปเกิดสวรรค์สันใดไปยุนสวรรค์สันใด ห, หรือนิพพานมีไปยุนนิพพานสันใด น, นานจากปีจากเดือนหู้จักต้งสันบัดนี้ทําบุญเมื่อกาอยหนึง่งกายกระทาดีวาจากระพูดดีใจก็คิดดีพร้อมกันแล้วบรรเนี่ยหากสวรรค์มีนิพพานนีอ่ะตายไปแล้ว ไปเกิดสวรรค์สั้นไหนไปนิพานสั้นไหนานจากปีจากเดือนเ น, นี่ยหุ่นจักแล้วเ่ยหุ่จักเราบัตโธวะบัตไดเอ็มมานั่งฮห้จังหวะอยู่นี่เดินจมกรมอยู่นี่มันเริ่มมีสิ่งมีธรรมครบหมดเด่นหนึ่งกายที่กำหนดไปฆ่าสั์บ่ไปหลักสับสิ่งนั่นะจะมาลับก็ได้บ่หลับก็ได้นีย่ยพอวางสั้มันนี่คําพูดคําจาเขาเนี่ยมีผู้ใดมาถามเขากลว่าดีดีแบบนี้ใจเขาก็คิดน้อมนาวเข้ามาเต้นในตัวเขาเลยมั น, นมัครบมดัด บัดเดียวก็เลยเห็นเลยรู้เลยเข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่อันนี้ยังไงจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์นั้นพองแผ้วว่องไหวนั้นเพันว่าจิตใจของพระพุทธเจ้าว่าสันเฮาก็ต้องพิปองให้มันได้พระพุทธเจ้ามาไว้หมอเฮานี่เดบอวันนี้อย่างที่ทกถ้าหากว่าเฮานั่งอยู่ดีนี้เนี่ยญาติโยมคือกัน ครูบาอาจารย์เกินทุกองในจิตใจก็บสบายอยู่สื่อนี่อันนี้หลักษณะจิตใจสงบซื่อได้นี่สงบอยู่สิเพราะว่าเขาฟังอยู่เนี่ยเขาโบได้เห็นแต่มันก็มีอยู่นี่แต่เขาเขาโบเคยเห็นจากเธอโบเคยหู้จักว่าจิตใจสงบเป็นหลักษณะอย่างนี้เนาะเขาบุหูหจักกจเสื่อโอ้จิตใจสงบนี่คือขึ้นกับจิตใจพระพุทธเจ้านั่นเด้เนี่ยขันเขาคิดตั้งเสียงกับโอ้ จิตใจสงบนี่ไม่จิตใจพระพุทธเจ้าเด้โอ้เราก็มีพระพุทธเจ้าในน้อยเกิดขึ้นแล้วเด้นี่ยเขาก็หุ่จักโลตินวะเขามีอ่เขามีเงินบาทนึ่งยึดในถุงเสื้อเขาเนี่ยมีคนมาถามเขาก็จิหุ่จักเลยว่ามีเงินเท่าไดรเจ้าอ่ะมีบาทหนึ่งเงินเป็นเหรียนละบาทหรือเป็นใบละบาทเขาก็หุ่จักโลตนว่าถ้าเขามีใบละห้าบาทไปเลยุึดถุงเสื้อเขาเนี่ยมีคนมาถามเจ้ามีเงินว่ามีมีเท่าไดรมีห้าบาทเป็นเหรียนห้าบาทหรือเป็นธนบัตรใบละห้าบาท เขาโกหกจักเพะเงินเขามีบัดนี้เขามีเงินใบสิบบาทบัดเนี้ยมีคนมาถามมา็กู้จักว่าใบสิบาทโดบัดเดียวมีเดี๋ยวนี้มีใบใบห้าสิบก็มีได้เดี๋ยวนี้แต่คนโบทันมีมีใบละยี่สิบาทบัดเนี้ยเขาก็บอกว่ามียี่สิบาทโดบัดเดียวเพราะเขาเห็นได้ใจมันเห็นยุทงเสื้อกระตำ้างยุ้ยเสื้อกระตามเขาจับไว้แล้วมันเอาเมีเนี่ยมันเห็นมีเงินยี่สบาทก็บอกว่าบีเงินยี่สิบบาท มีห้าสิบบาทหกก็บอกใบห้าสิบบาทแต่ก้อนมีแต่ใบละร้อยใบละห้าร้อยเดีบมีแต่ก้อนเมื่อยน่าพอไปปฏิบัติธรรมะเนี่ยพอกระหู้จักโออันของอย่างนี้ถ้ามันมีแล้วมีผู้ใดมาถามมันหู้จักลดวะสิบบัดนี้คนพวกมีเงินได้บัดเนี่ยเจ้ามีเงินบ่สิมีสยูใสสิยูธนาคารคุณมีเงินผู้หันอวดดีซื้อเนี่ยบางทีพวกมีเงินในธนาคารก็ะตันซ้างได้เนี่ยบางคนพวกมีได้เงินธนาคารก่ะได้ว่าซื้อซื้อว่าเจ้าของมีเงินน่เนี่ย อันนี้เขามีเงินเงินธนาคารก็มีบระเด็นยืดถุงเสื้อก็มีทแท่ดินะ่ะจงว่าคนอวดดีกับคนมีดีอมาวัดมันจึงตั้งกันให้เข้าใจจังสันถ้าหากเขาบอกเข้าใจจังสันแลยจิไปเจอเข้ากับคนอวดดีลองจะไปเสื้อได้ห น, นึ่งอย่าเสือ้อเพิ่งบอกบอกให้เสือแล้วต้องทดลองต้องปฏิบัติถามมู่ญาติโยมนี่ก็คือกันถามพระเจ้าพระสงฆ์คือกันต้องปฏิบัติให้รู้จักโตเราให้รู้จักรูปรู้จักนามนี่แหละทีแรกกั เมื่อรู้จักอันนี้ก่อนหจักเป็นขั้นเป็นตอนไปเป็นเอื่อนปฐมฌ า, านทุติยญาฌานตาติญญารานจตุทัานปัญจฌมม า, านเป็นวา่าเขาวบาวาก็ได้จิตใจเปรี้ยงครั้งที่นหนึ่งเป็นยัง้งโยมันหูจักรูปนามนี่ลดไปหนี่จิต จ, จิตใจเปรี้ยงครั้งที่สองเป็นยัง้งโยโทสะโมหโลภะนี่มนุษย์ลดน้อยไปแล้วได้หนึ่งวันจิตใจเปรี้ยงครั้งที่สมเป็นยังโยกิเลสตัญหาอุปทานนี่มันบุยึดธบุถือแล้วได้หนึ่ง จิตใจเปี่ยนเป็นขั้นเป็นตอนไปจนเท่ามีสิทธิ์ย่างสมบูรณ์ย่างอย่าวะนี่านี่ยก็เลยรู้จักจำพวกกามกามมาสาวะกาสมาเนี่ตกย้อนมาของกามคืออารมณ์ยินดีรักใครพอใจในอารมณ์เป็นเอิร์กามมาสาวะอาสาวะคือกิเลสเท่านจะ ว, าาจจนว่าอย่าดีใจอย่าเสียใจเพนวะอย่างสั้นอันนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ฟังอย่าำภาวะอยู่เดี๋ยวนี้นี่ยบ่มีดีใจบ่มีเสียใจอยู่ซื่อๆนี่บางคนก็เบื่อใจตัวเอง บางคนก็บรเบิลเบิงพุ่นเบิงที่นี่มองไปงลืมตนเล้นเลินตัวเล ย, ยบางคนก็ดูลมหายใจเบิ่งจิตเบิ่งใจตัวเองดีว่ามันมีแล้วของมีแล้วท้งนั้นที่เยี่ยพอวาอยู่นี่บุตรช า, าเป็นวาวของบ่มีเด้ของมันมีได้เน่อามาวาให้ฟังเนี่ยจะมาบ่าต้องศึกษาก็ะไดถ้าหากปฏิบัติ ถ, ถึงที่สุดแล้วก็ต้องถึงจริงๆริงจะ า, าสัญญาขัวหมายรู้จำได้เพราะมันมีถ้ามันบ่มีมันที่จำได้บอกมันต้องเข้าใจทางสั้น ที่นายพวหาให้ฟังนี่บ่ยากเรื่องนี้เมื่อรู้จักอันนี้เราทําบุญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งสามย่างครบสมบุรณ์แล้วก็วิวรถบ่ดเดียวมันขาดช่วงออกจากกันปุ๊บรถบ่ดเดียวนี่อันมันขาดออกจากกันวุฒม่จิว่าขาดจังซีได้มันเป็นบ่เป็นพี่เป็นน้องกันสมมุติเอาซื้อเนี่ยบ้านหลวงพอ่อ มีหิ้งสามขาเขาจะไปหาปูหาปลาหาเนื้อมาเขาจะเฮ้งสามขาไป ย, าย่างยำเม็นเน่าเป็นว่ามีหิ้งสามขาสุบบรมเอาออกขานึ่งแล้วยังสองขาเป็นยังหนานลมอยู่อบันนี้เอาออกสองสองขาเออออกเอาออกขาเดียวตั้งโวจูแ ล, ล้วบันนี้ลมพัดก็ลมลดบันเดียวอันนี้ก็คือกันถ้าหากทำลายโทสะโมหะโลภะออกไปแล้ว เหาะเขาโบลงเพราเนียว่าย่าหลงโตย่าลืมใจย่าหลงเนื้อหลงตัวเขาเบื่งการเคลื่อนการไหวมันนึกมันคิดอันนี้เป็นวิธีที่จะเข้าไปอ น, นันต์ถ้าหาบ่เบื่องอันนี้บ่มีวิธีที่เข้าไปเนีอพอผู้อื่นที่จะเป็นกันไดนบุกจักวิธีที่จะเข้าไปหาความคิดได้คือการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวรูปกายภายนอกนี่แหละเคลื่อนไหวเข้าเคลื่อนไหวเข้า มันนีจิตใจเคลื่อนไหวเขาต้องรู้แบบนี้เนี่ยไม่เป็นไรรู้จิตใจเคลื่อนไหวแล้วเป็นยังไงตัวก็แปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงแปลว่าได้ต้นทางเพ้นว่าเอิญได้กระแสะพระนิพาณมาจันนิพพานบุษบิเป็นตนเป็นโตเด็อันว่าได้กระแสะพระนิพานก็ได้ควมคิดมันคิดมันเห็นมันรู้ได้แหละแบบ น, นี้มันบุกโก้ดได้แหละกระแสะพระนิพานนะจ่งว่าเข้าไปนิพพานให้มันได้จังว่าเขาได้ใจสงบแล้วบับ น, นี้ ใจสะอาดเขาต้องเห็นหมดเลยขันสะอาดก็แปลว่าเขาเห็นนั่นแล้วขนวัดสะอาดจะเบิ้งพี่อย่างใครเห็นเงี้ซีแล้วโอ้ดีเนาะนี้เขาเบิ้งเงี้สะอาดคนเอินใจสว่างจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบอ่นมันสามารถที่จะมองเห็นอย่างสั้นเป็นว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบอ่ะนี่จิตใจบริสุทธิ์อะไรสักมึงสะอาดพ้องใสอะไรจึงว่าคนเจริญวิปัสนามีสติมีปัญญาพ้องใส ตัดสินใจลงไปโบผาดเลยทําการทํางานโบผาดผิดเป็นวันอย่างนั้นเพราะมันหูจักเดีบเมงตัดสินใจพ่อจิตใจเศรา้าซึนจิตใจหดหูจิตใจเศร้ามองจิตใจคุ้นหัวโบมนเมง อ, อ, อย่างนั้นเนี่ยอย่าพรวานจิตใจเบิ่งพองแผ่วว่องไหวพองใสาสามารถที่จะรู้ในปัจจุบันของอย่าพ่อโบเสือกิเลสพันห้าปัญหาลอยแปดที่เข้าใจว่าอยู่ นำตำาพบนบแมนกิเลสพันหาเอาเกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ห้าลอยซะเกิดขึ้นเมือเ่อตะกอนันห้าอยซะเมื่ออืดนี่อิจิมห้าอยซะเนี่ยสามห้ากับสิบห้าแต่ือ3สมหกเออสมหสิบสองบชั่งกรจักเลย่บจักสมห้ามีเท่าเดงหอสามห้าสิบห้าสิบห้าเป็นเท่าหด้งอ๋อสิบห้าเอาสามห้าสิบห้าเป็นเลยอ๋อเป็นพันห้าเนาะ โอ้กิเลสผันหาเนี่มันเกิดขึ้นนี้เนี่ยโบไม่ไปเกิดซื้ออื่นเนีจึงว่าเสื้อตำลาให้เข้าใจอดีตอนาคตปัจจุบันนี่มันอยู่นี่เลยเขาลืมอดีตลืมอนาคตลืมปัจจุบันนั่กระซกเอากกเอากซกเอาสมมุตินักมวยนักขึ้นในเวทีเรียนจะรูมาดีแล้วบ่เนี้ไปแต่ว่ายขูอยู่พุ่นเขากซกเอาแท้เขาสาเน่โบได้เรื่องเป็นแซนเปี้ยนโบได้ผู้หันอยาพ่อเว้าอยู่เนี่ เรียนจากครูมาก็จริงแต่ว่าวิธีที่เป็นแยมเปี้ยนนั้นบ่ได้เป็นโยมครูสอนเขาขึ้นในเวทีในสนามบ่อยๆขึ้นไปในเวทีในสนามที่แรกอาจิไหว้ครูเดี๋ยวนี้โบต้องไหว้กระได้บันนี้เขาซกสํานานแล้วเนีครูต่อสู้มาก็ยืนเซ้ยบบต้องไหว้ครูแล้วเขาไหว้เขาไหว้ ไ, ไปซะเบิง่งครูต่อสู้อยากเข้ามามอๆเลยซกใส่ลุมตับใส่สองตาเลยบัดเดียวโบวเจ็บกระตาซาเนี่ยคนตามนันมืดปุ๊บลบัดเดียว มันมื่นตาขึ้นมาซกเอีกซ์ตรีมลุมตาให้เอีกตืีมสู้เหาบได้แล้วบบนี้มันจีน้ตีแข้งตีขาเขาจี้เจ็บอย่างไหนเขาซกลุมตามามพูดแล้วอันนี้ก็คือกันเรียนตํารานั้นมันอีกเรื่องหนึ่งโตประสบการณ์นี่เป็นอีกเรื่องหนึงจีว่าเป็นแซมเปี้ยนเพาะขึ้นในเวทีบ่อยๆซกในสนามบ่อยๆเอาชนะได้จริงๆอย่างนี้หลวงพ่อจึงรับรองได้วิธีเนี้หลวงพ่อรับรองตัวเองแต่บนนี้รับรองผู้อื่นเด้นี่ การที่จกิดเป็นแซมเปี้ยนได้อี่ยการเป็นแซมเปี้ยนโลกเป็นอย่างก็เพราะเป็นใหญ่ในรูปนี้เป็นใไ่ในจิตเป็นไ่ในชีวิตเพืตนเป็นที่พึ่งของตนสมมติว่าพึ่งผู้อื่นบอได้เท่เท็จเฮตไทยบอได้เท่เท็นี่เป็นเช่วนั้นจึงว่ารู้จักรู้แจ้งรู้จริงสภาพภาวะที่บุคคลก็กมีอยู่ในเฮาหนี้จึง ว, ว่านิพพานะวนะจึงว่าบวกเกิดบวกเก่บวเบจ็บบวตายเนี่ยพอจึงเข้าใจ เรื่องนี้ผ่านนี่ไผซว่าเสนกระทำซานเรื่อ่พ่อเอานิพานตายแล้วนี่ยเพ่อเอาเด้แยเอะเอาเดี๋ยวนี้นี่แหละไปตกนรกกระบเอาเถินนรกใต้ดินกระเอาเอาเดนี้นี่ก่อนแกเดี๋ยวนี้จีบอกคน่ยพอเคยเปรียบเทียบอัางนี้คนยางไปนากลางบ้านบ้านหลวงพอเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงตวหมาตัหมูบ้าน่พอแต่เขาว่าขี้ไปขี้ไก่มันเหม็นขี้หมูขี้หมาเหม็นแต่มันอยู่กลางทางอกไปเยียบเอาไปเยียบเอาแล้วจ้าน่ลางบ้านเนี่ย่ ลาออกเพราะมันเหม็นได้แบบเนี่ยลาแล้วไปเยียบอีกเติมเวมาเป็ีเนีเขาว่าคนอวดดีซื้ อ, อมาคิดเปรี้คิดเก้มันเหม็นทำไมจะไปเยียบมันอันบวชเห็นได้นี่ยยังจะไปเยียบเป็นบอกอันบวเห็ดได้มันยังโกดังกระด๋อยาซื้อเด่เนจังว่าเป็นนางสงบอยู่สงบอยู่ผู้เดียวแล้วยวันบาดไปเขาไหว้แอนแต่งไปในบ้านงพ่อหรือแอนแตงหมักแต่งม่ผ้าเอาในมันแอนแตงมาใส่บ้านหลวงพอ่อ เขาผ้ามักแตงผ้าแล้วเปลี่ยนแค่เป็นกีบแล้วก้าบมันงอขึ้นเขาแล้วเอ็นแตกบ้านหลวงพ่อเป็นนางสันสู้บ่ได้เลยอันนี้แถวโอ้ยบุต้องวาแล้วคู่ต่อสู้มันกระกมันลดมาเดียวบุต้องไหว้ขูและเลือกเป็นแซมเปี้ยนบ่อยยากจากน้อยมาสันหลวงพ่อวานหลวงพ่อหู้จากมาสันดังนั้นการเจริญวิปัสสนาจิว่าบ่ได้เหมือนกันกับสมถกรรมฐานบ่ได้เหมือนกันแท้ๆเหมือนกันกับว่าได้บ่เหมือนกันกับว่าได้มันสมมุดหวา ทำว่าเหมือนกันนั้นเหมือนนี่มันส ง, งบอันความส ง, งบนวความเดียวกันนั่นแหละแต่มันส ง, งบคนละย่างกันอันนึงส ง, งบน้ําแข็งอันนึงสงบน้ําลึกให้เขา้าใจอย่างสั้นๆอันนึงส ง, งบอยู่ในถ้ำอันนึงส ง, งบออกนอกถ้ำเาไว้อย่างสั้นก็ได้อันนึงส ง, งบอยู่ในมุ้งอันนึงสงบออกนอกมุ้งว่าไสั้นก็ได้ขันอยู่ในมุ้งเลยหยิบบกไปกัดขันออกนอกมุ้งมาได้ยิบกัดเป็นว่าอย่างสั้นจึงว่าเขาอยู่ในถ้าเขาจะไปเห็นรูปทรงของถ้าบ่ บวเห็นแล้วของมันมืดเด้เขาจะในมุ่งเขากบเห็นลูกทรงของมุ่งเขาบุได้ออกนอกมุ่งมาเนี่บัดนี้ออกนอกถ้ำออกนอกมุ่งมาเบิ่งควมคิดมันคิดบักคัเห็นเข้าใจรู้เนี่ยรู้แจ้งรู้จริงรูง้แล้วตัางเก้าล่วงภาวะเดิมเพันวันตอนที่หลวงพ่อเข้าใจตัวนี้ตอนเศร้าว่าให้ฟังเดี๋ยวจะหาว่าอย่าเพราะอวดดี พูดอวดอุตรีมนุษย์ศา ร, ร์คือทำอันยิ่งของมนุษย์บ่มีในตนต้องอาบัตปราสิกฆ่าจากภิกษุว่ากระทาสร้างแล้วคงเวาวเป็นบอกในน้ำคำ ว, ว่าด้วว่าพูดความจริงเนี่ยพณว่าพูดอุตริวะเสียนบ่นมีอวดได้พูดอุตรีมนุษย์ศา ร, ร์คือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่มีในตนต่ออนุปสมบนต่อปจิตติวะเสียนพณว่าคันข้องจริงมีกระวาแล้วจีวาอย่นี่ยบ่มีอวดดียังว่าคนอวดดีเวานั้นเป็นเถะ เป็นแท้ๆได้เพราะว่าหูจักเน่นอันนี้เาหูจักอยู่วมันทีเป็นอย่างกระเป็นสภว่าวอว่าให้คนฟังของมันข้นหน้ายู่วบวชเปง่ายขึ้นพัชีหูจักจากเถือมันก็ง่ายขึ้นให้คนเห็นสภาวะจิตวิวได้ขึ้นอย่างเฉพาะวานี่เขาบอว่าพัชีว่าเดี๋ยวเขาตองว่าที่ับบนี้จังหว่าแหวนรถกับน็อตรถน่ะมีแต่หั่นเขามันฑิตออกจากเถือบวก็ไมายออกจากเถือได้ไมม เกี่ยวมันอัดแน่นอยู่เนี่ยก็หมายซรายกับบิดออกบิดออกกระตกออกบเป๊กออกเสนวามีเรื่องอย่างไรอันนี้มีเตหันเขาหันเขามิเตทำบุญตายแล้วยังเอาสวรรค์ตายแลย้วเอานิพพานอ้าวตายแล้วมิจิเอามาให้ยัง้งคนตายแล้วมิจิหัวจักมียัง้งทำบุญลายๆายเพื่อว่าบานเนี่ยทำบุญ ล, ลายลายไว้ซ า, าดนายอย่างเอาเพราะว่าลองโบเสื้ออย่างพอเฮ็ดทดลองกระได้นี่นะมือนีแต่งอาหารไว้จากห้ามืออยากไปกินมนุษย์อาหารมิจิเป็นอย่างไร เอาว่ามนุษย์กินอาหารแตงมาจากห้ามือแล้วไปกินสบายไหมไ ม, ไรรมันเป็นยังมันบุดครับมันบูดแน่เขาก็ต้องมีปัญญาจังสันแม่คนนะ่ะจว่าคนต้องมีปัญญาแต่งมือนี้ต้องกินมือนี้ที่จเจาไว้พอนมือหน้ามือไหนให้ยังทําบุญมือนี้ก็ต้องเอามือนี้ที่เขามาเจอเรื่องปรินาเนี่ยเอาความสุขมือนี้โลยบอเดียวบนแม่ว่าตายแล้วจึงเอาคันตายแล้วจึงเอาโยกกระตายแล้วยังไปเฮ็ดเอาสนวามันยังแม่นังสนนวะ ทอยาพรว่าให้ฟังเนี่ยว่าด้วยขวมจริงใจตอนเศร้าอย่าพอยางไปคล้ายๆคือมันผ้าเนี่หลุดออกมดแต่หากบูรดได้ผ้ามันสมมุติว่าซื้อคล้ายๆคือถอดเสื้อออกถอดกางเกงออกเบ่าโตเย็นไปสัน้นๆเนี่ะโอ้เป็นอย่างซีเด้เรื่องควมโบมีตนโบมีโตเนี่ยนะแต่หากมีโตอยู่ได้หรอือยาพอยางอยู่เด้ มีตัวยังฮู้อยู่สันเห็นอยู่สันโอแม่หนีเงินจากพันลาในซื้อได้บ่อใดไอ้ออสิเรียนยังสื้อมากๆจบพระใจปิดกแล้วรู้ว่าบ่อรูอ้เนี่ยพอวางสันมาเนี่ยอ๋อข้อมรู้อันนี้พาอายัางรู้เพราะรู้สึกตัวนี่เองขวอมรู้สึกตัวนี่จึงมีอันนี้ส่งมาข้อมรู้สึกตัวนี่จึงมีอันนี้ส่งมากซื้อบ่อได้ขายบ่ได้อยังหอาพิบตาอยูน่นี่คนอื่นจริงหู้จักนำหอบวะ เห็นเขาเพิ่ตาซื้อๆแต่ควมรู้สึกบ่มีไผ่หูวันนี้ใจเขาคิดอยู่เนี่ยคนอุ่นกับมอโบเห็นเขาก็มอโบเห็นทำไมเขาจิตบ่มีหูเขาต้องหูที่ใจเขาคิดอะมันคิดอย่างต้องหูทีหลวงพลอแล้วเขาจะอ้อขวมไปกระโบมีค o ม, มากระ่ บ, บมีเพรามันขาดแล้วมันขาดออกจากกันซื้อนี่นะพราะที่ขาดออกจากกับเอาเสื้อในร้อนหรื อ, อยางก็ได้มัดใส่เสานี่กับเสานั้นนะ่ะตึงเข้งแล้วตัดปั๊บ มันก็มาคาดมาก็มายุดกับเสานี้พิเศษว่าเสาหนันคาดไปมันขยุดเสานั้นว่าตัดตรงกลางเลยดึงหากันกระโถึงเรยบนนี้ทําอิดมันถึงกันยุบหดเี่ยเขาตัดปุ๊บตัดขาดเลยมันก็หดเหี่วไปหลดมันคาดออกจากกันมันเพื่นเอายกมาไว้อัญตาละสิบสองในตำลาเพื่นว่าตาเห็นอย่างหัวจักว่ามันสวยงามโย่มันมีกิเลสอยู่มันก็สวยงามเสนวจีวายังไหนว่ายซื่อดีนะ อย่าพ่อเคยได้ยินเน่ยพระนุ่มเนน้อยค่ะเบิ้งพมไม่ออกมาจากหันมาเพนน่ะเอ้าอายตนาตาเหตุยายมังน้ำแลมาหักลักงามอยู่พุ่นละว่ะใจมันงามอยู่พุ่นเน้ไม่เป็นอะไรสันเนี่ยใช่าตายเห็นรูปยังหู้จักว่ารูปยิงรูปซ้ายรูปขวรูปงานยังหูจักมันคนบได้พลเอิญยางนียวพลเอินกีเลสนั่นน่ะมันวายเลหูฟังเสียงยอดสุไปว่ามันม้วนมันโบม้วนมาสันให้ฟังไต้เสียงซื้อมันอดบ่อได้เมื่อมันขาดแล้ว โ็มันขอมันขาดแล้วเพื่อจึงว่าเอาควอมขาดแล้วพูนมาวอาให้เขาฟังเขาจะไปเฮียนเอาซือ้อนี่นะ่ะมันได้โบเป็นบาดนี้มาเฮ็ดยังซีเดอโอควอมจริงนี่มันมีแล้วในคนเขาบอกว่าจักซืก้ อ, อจึงว่ามันมีในคนทุกคนบรยกเวีนจะเป็นพระสงองค์เลนก็ปฏิบัติอันเดียวนี้เป็นญาติเป็นโยก็ปฏิบัติอันเดียวเท่านี้เป็นคนถือศาสนาใดขอต า, ามสร้าง ฝรั่งอังกฤษเสใช้กระทำสร้างแล้วคนญวนคนเรามีศาสนาบ่มีศาสนากระทำสร้างเฮาทีมาปฏิบัติบ่ให้มันทุกเกิดขึ้นนี่นะถ้าทุกบเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่งเนาก็บ่เป็นอย่างกระทำสร้างในะจีวา่าย่างไงมันบุกทุกล้วก็แล้วแล้วไปทําการทํางานโดยบุกคุ้นหัวนี่นะเนี่าพ่อรู้จักมีคนมาว่าให้เ่าพ่อฟังเรียนหนังสือจบปริญญาโทมาจากอเมริกามาทํางานในธนาคารทําได้หกเดือนเท่านั้นเลยเว้ เนพ่อมายุวัสนามไหนนี้แล้วนะไปทะเลาะกับโม่กับบได้ทะเลาะดอกโม่ว่าเรื่องนะั้นเรื่องนี้ก็เป็นบ้าไปนี่แหละบุ๋มเขาจักจีใจตัวเองอะมันคิดไปสับสนวุ่นว้คิดไปมัดเป็นว่ายุ่งหมดวะท่านผู้พิสัยกับผู้พ่อเอามาหาเนพ่อเนี่ยพอ่ อ, พอกว่าให้ฟังบ้าอย่างไรไปคิดนำเขาอย่างนี้นเขาเว่าพอเขาเนี่ยเขาบุได้ว่าให้ตัวเอ ง, ต, เองตัวเองไปซิ่งไปซ้อมเขาหาว่าเขาว่าให้โต โตไปคิดเอาบ้าๆบ่ๆพูดกักเพื่อนบ้าเสียห่ามาบวชเนี่าพอสิบกว่ามือพูนว่าเน็ตเสารเดี๋ยวนี้ไปทํางานธนาคารอีกซุมแล้วเดี๋ยวนี้เอาเงินมาให้เนี่ยพ่อวะอิตานั่นพิมพ์ห น, ห, นหนังสือหนังสืออันคิริมโนนสมัยนั้นพิม์หนังสือคิริมโนนกับ ด, ด, ดกรกําจรเนี่ยพิมพซอยหนังสืนนอคิริมโนนคุณกำจรดกรกําจรเนี่ยพิมเนี่ยพ่อกับพิมพ์เราเอาเงินมาซอยเราทํางานในธนาคารเขา นี่แหละคนบุ๋มหัจักเป็นบ้าพราคมคิดตัวเองคนเป็นบ้าบุ๋มไม่อ่นไกลล่ะคิดคนคิดมันบุ๋มหัจักหยุดเพราะว่าหยุดบ่เป็นเสาบ่เป็นมันก็คิดไปสับสนวุ่นวายคิดอันนั้นมาติดคิดอันนี้มาต้อคิดเราคิดคิดเราคิดกินบ่อใดนอนบ่อใดคิดแล้วคิดอยู่สมองมันยุ่งขึ้นมาอ้นว่าสับสนวุ่นวายพลันวางสันความคิดสับสนวุ่นวายอันนั้นนะงย่าไปเข้ามัน อันนั่นแหละพระพุทธเจ้าว่าพระวกรักรลิกกย้ามาอยู่นี่พระวกรักรลิกหนีานนี่จะข่มคิดสับสนวุ่นวายคุณเน่โบไม่กินยางนี่ก็ตุ้ยก็ะตุยะต้ยไปคือเขายางห น, นี่นี่้บไม่ยังสั่นเนี่เขาไปเข้าใจว่ายงางนี่ไปก็จุ้ยก็ะจุ้ยไปเอาอันนั้นกันแมนอันกันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าข่มคิดมันสับสนวุ่นวายมันเป็นทุกพระวกรักรลิกขันพระวักรลิกนี่จะข่มคิดอันนั้นแล้วโบให้มันปรุงมันแต้แล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าแหละเนี่ย เฮาอยู่นี่ก็จะเห็นแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยบุได้คิดยังฟังอย่างพ่อว่านี่สบายอยู่นี่แหละพระพุทธเจ้าน้อยน้อยสัคนเกิดขึ้นนะ่ะนี่แหละจะไปหาพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียพูว่าเพิ่นตัดสลูต้นโพเอาไปเอามาให้อย่างใบโพอันนั้นตัดสลูต้นโพต้นนี้เนี่ยเขาว่ากันอยู่เรื่อยบ้านอย่างพ่อว่านี่คนแต่งงานกันเอาผูวเอาเมียบ้านอย่าพอไปหาผู้เทาผู้แก่ไปไปสู้ขอนให้มัดคอต่อแขนไปเป็นต้นโพโต้ห้มให้ลูกให้หลานแดียวเสียในป่ญวา แต่บุงหัวจากว่าต้นโพตัวลมอยู่ใส่ต้นโพคือตัวเหาเนี่ยตัวโฮมกับตัวเหานี่แหละถ้าหาักเขาแต่ยู่กับต้นไม้มันมีไมมันมีใบไม้มันกระโบ horn ขั้นไปอาศัยไม้แกลนร้อนเลยเระหวังให้มันดีใบกระโบมีง่ามกระโดกมังิีล้นใส่หัวให้เข้าใจอย่างสั้นไม้แกลืร้อนคือ ย, ยังย่อคนโบมีคุณธรรมคนโบมีธรรมะขั้นไปยู่ใกล้มันมังคีด่าหอมบุ้งเมังีตีหอามาังคีเอาลัดเอาเปรียบหอมเสนเดียบบุ้งหัวจากได้คนอย่างสั้น คนว่ามีคุณธรรมเพื่นว่าเอารัดเอาเปียบกับสังคมเพื่นว่าเถคนผู้ที่มีคุณธรรมเห็นมาเขาคือเราเราคือเขาพระพุทธเจ้าจึงคือคนธรรมดาเป็นมัดทุกคนแต่เขาหักว่ได้เอาพระพุทธเจ้ามาไว้กับเขาเขานั้ไปเอาใบโพพระพุทธเจ้าตัดสรู่พุ่นบนพ้นนิพานพุ่นบนพ้นเกิดพุ่นไปไว้อยู่บุนอั้ น, นไปไว้ตัวเขานี่เบื้องในไปยังเขาเกิดเมือ่อใดวันใดปีใด ไปไว้ลูพระปุระเจ้าเกิดบนหัน่นตัดสลุมนตายบนไปซื้อๆนี่เสียเงินเสียทองสำหรบางคนนะบางคนบ่นมีได้ไปยืมเขาก็มีได้บางคนอนี่ยพอเคยได้ยินเด้คนไปทํางานซาอูเนี่ยนีย่เน่ยพ่อได้ยินขเข้าวว่าบ่ามีเงินอยากไปเอาให้เอานาไปจำนําจำนองข้าเจ้าได้ไปซาอูแล้วได้เงินเดือนได้จะเอามาให้จะเอามาแก้ทุกข์นั่นแหละผลที่สุดทุกซ้านากระมดซ้ำเน่ นั่นแหละเพื่นว่าบอกเข้าใจเห็นเขาเฮ็ดแล่นเฮ็ดเห็นเขาทําแล่นทําอย่าเสื้อถือโดยเห็นเขาทําตามกันมาเพื่นบอกแล้วอย่าเสื้อถือโดยเห็นว่ามันมียืนจำลาเพื่นบอกไว้แล้วเราก็ไปเสื้อจังสั้นอันนั่นแหละเพื่นว่าอย่าเสือ้อต้องใส่เหตุใส่ผลพิจารณาหาของจริงเมื่อเราได้ของจริงแล้วเราจะเอาจากของจริงนี่มาว่าทํางานมากๆเพื่อจะมาแก้ทุกนี้ ได้เงินเดือนหลายๆก็จะมาแก้ทุกนี้เฮียนนังสือได้ด็อกเตอร์จากสิบด็อกเตอร์ก็จะมาแก้ทุกนี้ถ้าแก้ทุกบไดย้ยเราว่ามีค่าเป็นอย่างเท่าใดเนอกเรียนปริญญาเอกด็อกเตอร์นั่นก็ได้มีเงินจากพันล้านนี่ก็บว่ามีค่าไป็ยังขจีวา่านแหลงๆก็สู้ตัวแมวบไดก้กขจีวานะ่ะตัวมาบไดย้ยขจีว่านสัตว์แตก็ได้แล้วหมาแมวมันนอนสบายอยู่อันนี้มีเงินพันล้านลอยล้านบนนะั้ยังทุกอยู่นี่นะมันที่มีประโยชน์เป็นสมควรมาเกิดเป็นคนบะ มันบดสมควรมาเกิดเป็นคนะผู้จังสรรแต่เป็นว่าจังสรรจิงว่ามีเงินเอามาก็ากำแพงเขาทำาได้เนี่ยเอาเงินมาก็ากำแพงตั้งได้ไว่าสนโย่เจ้าบุญมีอย่างข้อยจีซอยเนี่ยเอาเงินให้เขาเขาไปทำงานให้เขาสิให้บ่อยๆนี่มาทำงานให้เขาบ่อยๆแบบนี้คนที่สุขเขาก็เลยบุรีเฮ็ดงานผู้ใาจีมาทำงานซ่้อยเขามีผู้ใดจีมาค่ามาตีเขาเขาจีมาค่าเจ้าได้เขาจีมาบอกเขาําอันนี้แหละเงินมันใช้ประโยชน์ได้ง่ายๆ มันเป็นกําแพงของเหาเงินนี่ถ้าหากบุมีเนี่ไปขอเพิ่นจริงกับโบได้อีกตึมละใคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาไปโรงพยาบาลหมอบวมหัวใจไซได์เนี่ยใคบุมีเงินเดี๋ยวนี้ยิ่งแล้วเด้เดี๋ยวนี้คนใดมีเงินตัดคิี้ยวมัด <c oughs> ไม่เป็นอะไรสันเนี่คนใดมีเงินหมอบู้จากรถทําปุ๊บปับกวดให้รถเป็นอะไรสันจังหวะให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักไซบุรู้จักหาแบเนี่ยรู้จักแเกะไซบุรู้จักเก็ บ, กกกบได้มาเธอจะเกะไซไปมดอย่าพอถามขาเจ้านี่ บางคนมีเงินเดือนสามพันสี่พันบ่มีเงินจักบาทก็มีบางคนเงินเดือนสองพันสามพันมีเงินฝากธนาคารก็มีบ้านหลวงพ่อเป็นตำรวจเงินเดือน12บาทเก็บไว้เงินเงินเดือน12บาทเก็บไว้จนได้เงินเป็นพันบ้านนี้นายพูดเงินเดือนพันได้ไปยืมเงินพูดเงินเดือน12บาทก็มีอันนี้แสดงว่าเก็บสตางค์เดียวบ่เป็ี่ยนลอยบาทตะเกีบบ่เป็น มีร้อยบาทบะเนียเก็บโบเป็นหมื่นนึงก็เก็บโบเป็นมีหมื่นบาทบะเนี่ยเก็บหมื่นนึงโบเป็นแสนนึงมัสิเก็บเป็นบ่มันต้องเก็บตั้งแต่แต่สตางค์เดียวพี่ได้ไปอันเฮาเฮ็ดอยู่างนี่ก็คือกันมันต้องรูน้อยๆสก้อนบางอยงรูมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนถึงที่สุดได้เงินก็คือกันเขาต้องเก็บสตางค์เดียวเป็นก่อนเก็บสตางค์นึงเป็นสองสตางค์มีเจ็บได้ถึงสิบาทเก็บร้อยบาทเก็บพันบาทหมื่นบาทแสนบาท คนที่สุดขเอเจอเอิญเนาะเอี้ยว อ, อ, อิตานี่มีเงินหลายเนาะจีเอินเศรษฐีน้อยก็ยได้มันเป็นอย่างนั้นไหมอันนี้แหละจึงว่าบริษัทจริงๆไม่ถึงว่าผู้ใดมาซื้อเอาให้รถอันนี้แหละคนมีบุญจะเอาบุญให้หมู่ได้คนว่มีบุญให้อาจะเอาบุญให้หมู้เป็นบอกมันต้องมีบุญสก้อนจังวะทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องทดลองสก้อนก่อนจะไปสอนผู้อื่นมู้พันมานี่ก็คือกั น, น, อกนเนี้ยอย่าคานเนีบบ้หันคานอยาพ่อกระโว่าอย่างให้บุสีจีผิดกฎหมาย โบยเฮ็ดเร่นบยเฮ็ดกันบยได้เฮ็ดแล้วปฏิบัติอย่างไร ห, หักโบงู้เนี่ยที่มาเอามือเอานามซื่อๆนี่บอกเห็ุเนี่ยเพราะว่าปฏิบัติให้ติดตอ่อกันสามปีเหมือนลูกโซ่เดี่ยต้องลดลดความทุกเนี่ยมาอยู่หัดสิปีก็ได้แล้วบยยกไม้ยกมือจากเธอบยเบิกจิตเบิใจจากเธออยู่หอดลอยปีกกระทำสร้างแล้วโบยมีประโยชน์อันนั้นมาอยู่มือเดียวกระทาสร้างถ้าหากฟังแล้วตั้ง อ, อกตั้งใจเข้า อ, อกเข้าใจกันใส่ได้โหลดพันวายอย่างท่นนี้ อันนี้ก็เลยที่ว่าอาการเกิดดับให้ฟังโลดเพราะว่ามาคราวนี้ก็ต้องว่าอาการเกิดดับนี่น่ะคนเกิดมาร้อยปีท่านหากบุรุ้ชีวิตจิตใจตัวเองเกิดดับบูรู้จักสภาพภาวะอาการจิตใจเกิดดับนั้นชีวิตของพวกท่านเป็นมันเป็นโมฆะบูมีประโยชน์ไปยั่งผลวานท่านคนเกิดมาเมื่อเดียวแบบนี่ยรู้จักสภาพชีวิตเกิดดับภาวะของจิตใจเกิดดับอ รู้จักสภาพอาการเกิดดับคนเกิดมาเมื่อเดียวนี้มีชีวิตอยู่เป็นอยู่ดีก็คนเกิดมาอายุเป็นอยู่ร้อยปีคนเกิดมาเมื่อเดียวมานจี้พิกกิงติงโตได้บ่เนี่าพอเบิง่งอยู่แล้วคนเกิดลูกออกมาเนี่ยมันให้องแง้องแงอยู่หันผู้เดียวมันพิชกีงกระบอได้นะที่กินนา้ากระบอเป็นเนี่ยดุยาเธอะขี้กันอนขี้อยู่หันเงี้ยวกับนอนเงี้ยมันจี้ฟังอย่างเป็นอันมูเข่ามานี่แหละบอกขจิส้สางวาให้ฟังหุ่นเนี่ยบอกซื้อ อันมาฟังมือเดียวเนี่ยสามารถหูจักโลดเนี่ยผลว่าเกิดมาเมื่อเดียวผลว่าดีก็อันยู่มาตั้งแต่เกิดมาแต่ตน้อยๆผลว่าผลว่าอ่างสั้นบัตีิบวชมาร้อยพันศากะตามสังถ้าหากโบลุสเนี่ยสภาพภาวะอาการเกิดดับการบวชผู้หันน่ะชีวิตในพระเรืองนี่ยเป็นโมฆะเป็นหมันเป้าเนี่ยเป็นหมันเป้าผลว่าสู้ผู้บวชมือเดียวบวได้ผู้บวชมือเดียวนี่รู้จักสภาพภาวะอาการเกิดดับอันนั้น ผลวนดีกว่วมีประโยชน์กว่าคนผู้ที่บวชมา้อยปีผวันเให้เขาเข้าใจจริงๆพุทธาศาสนานี่พออน่ยพอไหว้ฝังอน่ยพอไปนอนนากับพอเน่าพอาศาสนาได้ห้าพันปีว่าสพิวนว่าจีมืดตึ๊บเทวดาที่มาบังแสงตะเวนไหว้เห็นไปใส่มาใส่บุไดเจ็ดมือเจ็ดคืนบุไดกินข้าบวบไดกินน้ำเพราะว่าบุจากทางไปได้มืดบัดเน้ให ได้เจ็เมื่อเจ็ดึืนแล้วที่มีเทวดาองค์นึงมาเปิดโลกโอษฐ์พนวัฒน์ก้อนเทวดาที่เปิดโลกนั้นผาพุสธรูปอิดหิน ด, ดินปู ก, กระดำ้างพระไหมผ้าเงินผ้าทองกระดำ้างพนว่าจ์ทีเหาะไปล้วไม่บอลเดียวหลุดพอดีเหอะไปแล้วไฟถาดไม่มัดโอษฐ์อันรูปเป็นอิฐหิน ด, ดินปูนเป็นพระทองผ้าแก้วพระไหมเนี่ยใยไม่เป็นฟุ้นไป็มัดโอษฐดวงจิตวิญญาณ ที่ไปยุ่กับพระพุทธรูกนั้นท่อกกับเม็ดงานี่เป็นวะที่มารวมตัวกันเขา้ารวมตัวกันเขา้าเป็นรูปเจ้าสายศีสระโกมารเป็นพระพุทธเจ้าเทศแสดงธรรมเจ็ดมือเจ็ดคืนมาท่านผู้ใดได้ไปฟังธรรมะพวมหันเราผู้มีปัญญามากจะได้เป็นพระอรหันต์มาั่นพอว่าให้ฟังอันนี้ผู้ที่มีปัญญาน้อยลงมากจะได้เป็นพระอนาคามีผู้ที่มีปัญญาน้อยลงมาจะได้เป็นพระสักกีธาคาผู้ที่มีปัญญาน้อยลงมาจะเป็นพระโซดา ผู้ที่มีปัญญาน้อยลงมาจีเปลี่ยนมนุษย์ผู้ที่ปัญญาอย่างแน่นหนากระเป็นคนทำบัดาเนี่ยอันพระพุทธโลกอันนั้นไปบวได้แท้ะห่ะบวได้แทะเงียบพอรับรองเมื่อจีห่อไดอย่างไรพระพุทธโลกอันโต้คนนี่แหละบวบเป็นห่อดอกยางมามูฟแม่ออกอยู่เนี่ยยู่ทางใดทุกอย่างพอบุูุ้จักยู่โคราชก็มีบุบเป็่อออกมาเนี่นมีเนี่ยยู่โคราดกับบเป็นห่อมาได้ขึ้นรถมาเป็นบ่อเนี่ย ยุคกรุงเทพเนี่ยกับวมีเหาะมานั่งรถมาเนี่ยผ้าสรงองค์เจ้าก็คือกันเนี่ยพันว่าพันจีเปิดอบรมีปั ส, สนาเนี่ยตไปฝังแล้วเขาใจทอนในซื้อดูเลย่าไปเสื้อว่าเป็นพระพุทธรูกเทียอันตัวจิตใจสะอาดสว่างสงบจิตใจบริสุทธิ์พองแผ่มีในเฮานี้เฮาจีหัวจัจก น, น้อยน้อยสกรพันวาสันจีวาเท่ากับเม็ดงานนี่คือใจพระพระเจ้าหยุน่นกับตัวเฮาเนี่ย คนเอิญวายุกับพระพุทธรูปรูปโตเฮานี่แหละที่เป็นพระขึ้นมาแท้ๆหยาพ่อยางอยู่ยหย า, า, าพ่อเป็นโยมหยาพ่อเขาจะว่าหยาพ่อเป็นพระอย่างวะนุ่งกางเกงขาสั้นหรือขาหย า, จจาหัวหยาพอจาบวกหาได้ดีพบหยาวอยู่โอ้กูเป็นพระได้แล้วเด้สิหยาพ่อวะเนี่ยว้าเอาเองได้เนี่ยโบมีผู้อื่นเว่าให้ไพรสีว่ากระทำสาร้างบวว่ากระทำโดยหยาพ่อเป็นพระเต็มมืนอนันมาเจนเทามือ น, นี่แหละบวกกรเป็นยังสั้นบบวกกระเป็นยังสั้นจะเป็นวะเข้าสู่สภาพของมันแล้วอย่างะ รู้จักถึงที่สุดแล้วหยาญยอมมีเพิ่นว่ารู้จักว่าสิ้นศาสตร์สิ้นภพพอมันขาดออกจากกันเท่า น, นั้นแหละเมื่อมันขาดออกจากกันแล้วอะมันบมบาต่อกันได้เพิ่นว่าคนที่มีกีเลสแล้วตายตจงเกิดอีกตื้มเหมือนว่าคนที่หมดกีเลสแล้วตายก็โบเกิดอีกตื้มเพิ่นว่าอย่างสัน้นให้เฮาหู้จักคําพูดแต่ละคําเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวว่าะเหวี่ยงข้าสองข้อมือนี่แหละโบเวี่ยวต่อไปซื้มเหมือนกัน ผมยุ่งหัวคุณนะมันก็ต้องเหงาเติมที่อันโตธรรมชาติของมันในแท้เนี่ยมันขาดแล้วมันสบั้นไปแล้วมันจืดไปแล้วมันโบย่าวน์พันวาอย่างสั้นจะมันขาดออกจากกันแล้วพันว่าตายเห็นอย่าให้มีรูปสวยรูปงามหูฟังย้ายมีม้วนมีโบม้วนพันวาใจอันยตนะ12ตาหูจะมุกลรีนกายใจเป็นอันยนตนาไทยในรูปเสี่ยงกินรลดสัมผัสธรรมารมณ์เป็นอัยตนาไทยนอกพันวาย้ายมันสืบเนื่องการพันวามันเซืบ ถ้าหากว่าเขาเหตุอ น, นี้แล้วมันบบสือเทๆถ้าทำจริงๆมันบสูสือเทะๆบไม่จีรอคอยไปอย่างนีงว้วตำลาเพิ่นบอกไว้ผู้ที่จเจริญสติปัฏฐานซี่ย่างถูกต้องท่านให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่่ย่างนานเจ็ดปีย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันมีอ น, นิสงส์งสองประการเพ่นวหนึ่งเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันซั์นี้ท่น สองถ้าหากว่ได้เป็นพระอาหารหันตต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดเบนวันอันนี้อย่าพอกะเลยว่าโบาต้องเอาเจตีอันนี้เอาเ อ, า, เ อ, า, เอ า, าสามปีทําเมึงดูสิท่านทุกบัจจีลดน้อยไปทำสามปีติดต้อกันเหมือนลูกโซ่เนี่ยอ้าวทุกต้องลดน้อยไปเทเบลมากกันน้อยย่างหนานเนี่ยย่างกลางปีหนึง่งย่างเร็วที่สุดเอาตั้งแต่สามเดือนเก้าสิบมือหลงเมึง อันนี้ขันบอกให้คเขาสืบืบอก็เท็บได้แล้วคุณคงเทพบไม่บอกมันเงินนําเงินเดือนได้มันรัดตัวได้ไปทําการทํางานนะ่ะมาเมื่อแรงเมื่อเศร้าไปก็ได้คุณกําจรมาอยู่ขอนยาพอนี่เนี่ยเราทํางานอยู่โรงเรียนมห ah ินนโรงเรียนเม่นบนมหาวิทยาลัยละมหินนเนี่ยซองทุ่มมาตีห้าออกไปรถโอ้นานแล้วมาอยู่เนี่ยเป็นเดือนคนนี้ แล้วก็เข้าใจคือกันเต้ได้เฮ็ดน้อยเต้ไปทํางานเพราะว่าคันโบไปทํางานกับ่บได้เงินเดือนเงินเดือนน่ยเอามาซื้อกินเน่ยยาให้มันมีทุกข์เพิ่นเลยเห็นคมคิดเข้าใจคมคิดโอ้ทุกข์บนทุกข์อืน่นให้เราเราเองเป็นคนทําคนอื่นน่าจะว่าก็ยากข้าเจ้าแล้วว่าเจ้าบูดีกับว่าก็ยากข้เจ้าหรือว่าเขาทําดนะีแล้วคนทําดีซื้อๆนี่เนี่ย้รียกคนทําดีเียกให้คนอื่นว่าดีให้แบบนี้ อ้าว่าดีบัวดีกระทำซางว่าทำงานต่อหน้าที่ของเราซื่อนี่นะทํางานเพื่องานซื่อนี่ยงานประเทศชาติบ้านเมืองทุกคนเกิดมาต้องทํางานเน่ยเพราะจว่ารพอให้รู้จักหน้าที่ของพอแม่ให้รู้จักหน้าที่ของแม่ลูกให้รู้จักหน้าที่ของลูกครูบาอาจารย์ให้รู้จักหน้าที่ของครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่บ้านกำนันตำรวจทหารต้องรู้จักหน้าที่เมื่อทุกคนรู้จักหน้าที่เคารพนับถือหน้าที่ตัวเองนะ บ้านเมืองก็สงบขึ้นสินมีเรื่องไหมอย่างถเป็นนิพพานน้อยๆขึ้นมาสิมีเรื่องอย่างไดรเพื่อนว่าอันนี้เหาบัได้ให้จังซันที่อย่างพว่าให้ฟังเมื่อนี้กะเห็นว่าสมควรแล้วเราให้ฟังเมื่อเส้าอับเว้าเมื่อแหลงกับว่าแต่ว่าอย่าคานยาคานเน่ยถอะให้เหตจังหวะเดินจมกรมถ้ามันง่วงนอนก็ฮีบลุกรถอย่ า, พางพว่าจิตศาส์ิศเ็ตจังหวะแก่ง่วงนอนให้เบิกเมื่อเนี้ ถาหากว่าบเิหิจังหวะมันสู้เป็นโบได้เลี่ยนอิริยาบถทันทีเอาแหละที่อย่พอได้นำธรรมะมาเล่าสู้ฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกิเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ใสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนของอ ง, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระนันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจรรใจของพวกเรา ให้พวกเราได้รู้แจ้งเหตุจริงตามความปิ่จริ่งย่างที่พระพุทธเจ้ า, านั้นว่าให้ฝั่งสองบทสาม บ, บทมือเนี่ยวาสัตว์ทั้งหลายคือเราตถ า, าคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถ า, าคตสัตว์ทั้งหลายเป็นพระตถ า, าคตฟังเข้าใจบางคนบางคนก็บอกเข้าใจคำว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถ า, าคตนี่คือบ่อนใดมันเข้าใจสองคำมันคันโบหูก็คือกันนั่นนะครับผู้โบหู บันทึกขันว่าทางหู้เลี่ยคือการยัในใดกม็มีแขนมีขามีมือมีเท้าเท่ากันกับกับพัฒนาคตเนยสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันนะะเหมือนกันเฮ็ดแล้วก็หู้เหมือนกันขันโบเฮ็ดเหมือนกันกรบโบหูเหมือนกั น, น, ก น, กนสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตว่าสัตว์เดาารัจฉานสัตว์มนุษย์นี่เองเป็นพตัตถาคตตจ้ะโบเมนรูปนี่เป็นใจบันเป็นคือว่าทะวริกนั่นแหละ ขอให้เราทุกคนจงประสบพบเห็นเอาจิตใจสะอาด จ, จิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์บ่โงกเง า, เาบ่โงกเงาบ่เศร้าซึมให้จิตใจพองแผวสะอาดสว่างสวัยว่องไวตัดสินใจลงไปปุ๊บถูกโหลดหมดเยขอให้เราทุกคนจงประสบพบเห็นเอาในเวลาในจงทุกทุกคนเทิน